เหตุแห่งฤทธิ์ด้วยการบริจาคคมไฟประดับอนุสาวรีและการบริจาคตะเกียงสำหรับที่มืดมิดรวมถึงน้ํามันสำหรับตะเกียงนั้นด้วยเธอจะได้ตาทิพย์ด้วยการบริจาคเครื่องดนตรีและกระดิ่งระฆังเพื่อการสการะอนุสาวรีรวมถึงการบริจาคปี่แตรและกลอง เธอจะได้หูทิพย์ด้วยการเว้นจากการกล่าวร้ายผู้อื่นและไม่ตอกย้าปมด้อยของผู้อื่นแต่กลับคิดถึงจิตใจของเขาเธอจะกลายเป็นผู้สามารถรู้จิตใจผู้อื่นได้ด้วยการบริจาครองเท้าและพาหนะเพื่อช่วยเหลือผู้อ่อนแอและการจัดหาพาหนะเดินทางให้แก่ครูบาอาจารย์ เธอจะสามารถเหาะเหินเดินอากาศได้ด้วยการสนใจศึกษาคำาสอนต่างๆและสามารถจดจําเข้าใจความหมายได้อย่างถูกต้องและด้วยการเผยแผ่คำาสอนด้วยความบริสุทธิ์เธอจะสามารถระลึกอดีตชาติได้ด้วยการรู้อย่างแจ้งชัดตามความเป็นจริงซึ่งปรากฏการทั้งหลายนั้นล้วนปราศจากความมีอยู่อย่างแท้จริง เธอจะบรรลุถึงซึ่งริอันที่หคือความเป็นผู้รู้ชัดในกิเลสอาสวะทั้งปวงด้วยการเจริญวิปัสสนาเพื่อเพาะบ่มปัญญารู้เห็นตามความเป็นจริงอันพร้อมไปด้วยเมตตาที่จะช่วยเหลือสรรพสัตว์ให้หลุดพ้นเธอจะกลายเป็นผู้มีชัยและสมบูรณ์ด้วยลักษณะอันเลิศทั้งหลายด้วยความปรารถนาอันบริสุทธ์ทั้งปวง ดินแดนแห่งพุท ธ, ธะของเธอจะบริสุทธิ์ด้วยการถวายแก้วรัตนะแก่องค์พุท ธ, ธะผู้ยิ่งใหญ่เธอจะฉายแสงอันสว่างสวัยไปทั่วสารทิศดังนั้นการได้เรียนรู้ถึงความสัมพันธ์กันของผลและการกระทำอันเป็นเหตุย่อมทำให้เธอสามารถช่วยเหลือสรรพสัตว์ทั้งหลายรวมทั้งตัวเธอเอง